ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พอรู้ตัวก็มักจะไปข่มมันนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้ตัวก็จะไปเพ่งแบบพอคือพอคิดจะปฏิบัติก็จะไปเพ่งแบบก็เลยลองทําอย่างหลวพ่อบอกว่าให้ลมกระดานเลิกปฏิบัติไปเลยครับแต่ว่าพอเลิกเขาก็ไม่ยอมเลิกกับเรา <c oughs> เขาก็จะพยา <c oughs> ยามยังทําอยู่ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ชนไปหาหนังสือนิยามมาเล่มหนาๆมาอ่านอันแต่เช้าหนึงเย็นอ่านทั้งวัน พอก่อนนอนมามนั่งทำในรูปแบบก็ยังเอาอีกละลงเหมือนเดิมก็เลยช่วงนี้ก็เลยพยายามเลิกเล้วแบบไม่น่นแต่ก็ยังมีนิดเดี๋ยวไปจงใจมันครับพยายามปล่อยปไปจิตเขาจะทำอะไรเรื่องของเขานะเราอย่าไปจงใจคำสบายต้องสบายนะรภาวนาแล้วถ้าเราเครียดเครียดทำผิดแล้วล่ะ เหมือนเป็นเรือเล็กๆอะค่ะมีคลื่นซัดอยู่เรื่อยๆลอยอยู่ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดที่นี้จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรสร้างเหตุอย่างไรถึงจะมีกำลังมากขึ้นอย่างี้ค่ะคือกำลังจริงๆมีห้าอันนะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยกำลังมีห้าอันศรัทธาเนี่ยอาศัยการน้อมการนึกการคิดพิจรารณา คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์ทำไมดูครูบาอาจารย์ดูมีความสุขอย่างเลยทำไงเราจะมีความสุขอย่างนั้นได้บ้างครูบาอาจารย์ไปทำอะไรมาท่านไปทำอะไรมาท่านดูมีความสุขหรือท่านไปทำอะไรมาใจท่านนี่เปิดโล่งไปหมดเลยหลวงพ่อก็เคยใช้เหมือนกันตัวนี้เคยเห็น น, นั้นหลวงปู่สวัตกลับมาจากอเมริกานะไปกราบท่านที่สวนทิพย์ ซอยวัดกู้ปักเกร็ดไปเห็นท่านะโอ้โหทำไมท่านท่านมีความสุขจังดูท่านมีความสุขท่านเป็นอมาพาศนะเวลาหามกันก็ล่องกระแร้งมาที่อุ้มไปอุ้มมากระดูกหักก็มีนะแต่แล้วดูท่านมีความสุขทําไงเราจะได้ดีอย่างท่านบ้างเสร็จแล้วเฉลียวใจเอ๊ะมานะเนี่ยรู้สึกท่านเก่งเลยเราไม่ได้เรื่อง ไปเทียบเทียบเขาเทียบเราขึ้นมานะแต่ที่เราสังเกตะแต่การที่เราได้เห็นครูบาอาจารย์ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีกําลังใจให้มาแล้วต้องต้องช่วยพิจารณานะอย่างหลวงพ่อกบางครั้งเหนื่อยเหนื่อยขึ้นมาก็พิจารณาศึกษาประวัติครูบาอาจารย์แต่และองค์กว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์นะล้มลุกลุกลานมาแล้วทั้งนั้นนะลําบากอย่างรู้ หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศเนี่ยท่านก็เคยเดินทุดงลงป่าลงเขานะตกเขาด้วยเป็นแผลลึกลงไปที่หน้าแข้งลึกเจ็บปวดแค่ไหนต้องสมสารออกมาให้ได้ไม่งั้นเขาตายเลยลำบากแต่เดิมท่านก็มนุษย์ธรรมดาเหมือนเรานี่แหละมีกิเลสมีความอยากมีอะไรต่ออะไรเหมือนเหมือนกัน ทำไมท่านเอาดีได้นะเราต้องเอาอย่างท่านใจมันนึกเองใจมันนึกไ ม, ไม่ท้อถอยนั้นศรัทธานี่มันก็ต้องเป็นการให้กำลังใจกับตัวเองอ่ะศรัทธาเกิดขึ้นเหมือนก็มีกำลังใจมีกำลังที่จะทำความเพียรนั้นมีศรัทธาก็เลยมีวิริยะมมีความเพียรถ้าหมดศรัทธาก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปเลย ท, ท้อแท้ทอดอะไรโอ้เราวาสนาน้อย อาจารย์ของเราเนะี่ยสร้างบารามีมานานแล้วเราเรืองมันทําไม่ได้อเราขอทําบุญใส่บาตรไปก่อนอย่างนี้เรียกว่าคิดล้างฝานตัวเองนะศรัทธ <c oughs> าแล้วมันต้องให้กําลังใจตัวเองแล้วแค่ได้มีความเพียรใน <c oughs> การจะทําความเพียรก็ไม่ใช่เพียรถูรู้ถูกกังเพียรโง่โง่เขาเขาต้องเพียรเจริญสติ <c oughs> มีความเพียรก็ต้องเพียรอะไร <c oughs> เพียรเจริญสติ มีเจริญสติไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตใจเราใจเราบางทีดูไปดูไปไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นนะสังเกตอีกโอ้ใจไม่ตั้งมั่นนะดูจิตดูใจใจไปอยู่นอกๆกีกและ้ะถ้าทําความสงบเข้ามาทําสมาธิเข้ามาหรือว่าทําสมาธิไม่ได้ก็รู้ทันหรอว่าใจไม่ตั้งมั่นสมาธิก็จะเกิดใจจะตั้งมั่นขึ้นมีใจที่ตั้งมั่นมีกํำลังมากมีกําลังมากมีสติ มันก็มีกําลังมากขึ้นนะมากกว่ามีความเพียรธรรมดาเนี่ยมันมีเป็นชั้นๆไปกําลังสุดท้ายก็คือกําลังของปัญญาอาวุธตัวสําคัญเลยคือปัญญาจะปัญญาจะมีได้ก็อาศัยศรัทธาวิริยสติสมาธินี่แหละเกือ้อกูลส่งเสริมมาเป็นทอดทอดทอดปัญญาก็คือการที่เราสามารถเห็นความจริงของกายของใจของเรานี่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะ เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวานละเล็กวันละน้อยไม่ต้องรีบแต่ขยันขยันรู้ขยันดูแต่ไม่รีบร้อนนะถ้ารุกลี้รุกรนกลัวไม่ดีอะไรอย่งนี้ยอย่างนี้ไม่ดียังต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเองนะช่วงไหนมันเหนื่อยนักนะทำอะไรไม่ไหวแล้วพูดโท่อย่างเดียวก็ยังได้เลยนะไม่รู้จะทําอะไรแล้วทําสมถะไว้ก่อนนะมันลําบากต่อสู้ก็ กิเลสของเราเองเสู้กับความลงผิดของเราเองไม่ได้สู้คนอื่นหรอกกรรมาฐานเนี่ยเราชนะตัวเองนี่ยากที่สุดเลยชนะคนอื่นได้ไม่อัศจรรย์นะชนะกิเลส ช, ชนะใจตัวเองได้นี่อัศจรรย์ที่สุดเลยชนะคนอื่นนก่อเวนชนะกิเลสตัณหาของตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์จริงๆต้องภาคเพียร น, นะอดทน มี่บางครั้งเรารู้สึกท้อแท้ขึ้นมาเพราะอะไรบางทีเราไปตั้งความคาดหวังไว้เนี่ยปฏิบัติเท่านี้น่าจะได้ผลเท่านี้เนี่ยพอปฏิบททัติด้วยความคาดหวังมันไม่เป็นอย่างหวังนี่ก็ท้อแท้ใจหลวงพ่อภาวนานะไม่เคยท้อเลยเหนื่อยแต่ไม่ท้อนะไม่ทอ้อตามรู้ตามดูเบื่อรู้ว่าเบื่อเนี่ยท้อใจรู้ว่าท้อใจวับวับก็ข า, ขาดเลย ไม่มีเวลาท้อเพราะรู้สึกว่ากิเลสตัณหายังเผารนจิตใจของเราเราไม่มีเวลาท้อแท้นะเหมือนไฟไหม้บ้านอยู่เนี้ยเหนื่อยนะต้องขนของหนีหรือจะมาดับไฟแต่หยุดไม่ได้เพราะไฟกำลังไหม้อยู่ไฟกำลังเผาใจเรานะท้อยังไงก็ต้องสู้นะมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดก็คือถูกไฟคลอกตายอยู่ตรงนั้นเลยเสียชาติเกิดเสียชาติเกิด หลวงพ่อเคยท้อจริงๆครั้งเดียวแต่มาอยู่สวนผูบวชแล้วนะนี่เปคารวะไม่เคยท้อเลยเพราะว่าไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรเมื่ อ, อไหรไม่คาดหวังเราง่ายพอบวชนี่นะลุกลี้ลุกลนนะบวชแล้วต้องลุยแล้วต้องลุยแล้วมาบวชได้เมื่อแกนะสั้งี่สิบแดกว่าพ่อคว่าแม่จะพร้อมแม่พร้อมคือแม่ตายไปะพ่อพร้อมคือพ่อยอมมาอยู่วัดด้วย จะได้บวชอายุเยอะลุกลี้ลุกลนในการภาวนาภาวนาไปโอ้เหนื่อยใช้สติใช้ปัญญาสังเกตเอาเฮ้ยนี่เรารีบร้อนเกินไปแล้วใจเย็นๆนั่งดูไปสังเกตแต่ละวันค่อยรู้ค่อยดูจิตใจไปสบายๆบางวันใจก็วางวางความยึดถือใจลงไปรู้ตกไปโอ้สบายจะนิพพานแล้นิพพานอยู่นี่เองนะหลายๆวันเสื่อมได้อีกนะี จะเลยแล้วเสื่อมจะเลแล้วเสื่อมอยู่ตรงเนี้เราสังเกต ด, ดูแต่และแง่แต่และมุมที่จิตมันดําเนินไปล้วนแต่เป็นอริยสัจทั้งหมดเลยจิตค้นกว่าแต่เรื่อง อ, อริยสัจแต่ไม่รู้ตัวนะว่าเป็นเรื่องอริยสัจพอค้นกว่าอาริยสัจไปมุมนี้นะรู้ตรงมาสบายแล้วสบายแล้ ว, ลวหลายวันเสื่อมลงมาอีกจิตมันค้นกว้าอีกค้ขนกวา้าอ่ะเข้าใจอริยสัจอีกมุมหนึ่งแล้วสบายอีกแล้วเสร็จแล้วก็เสื่อม ถึงจุดหนึ่งนะท้อใจเลยโอ้จนปัญญาแล้วนะหมดสติหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงเราไม่รู้จะไปยังไงแล้วนะถึงทางตันครูบาจารย์ก็ไม่มีช่วยตัวเองไม่รู้จะช่วยยังไงจนปัญญาท้อใจเฮออชาตินี้คงได้แค่นี้ละชานี้ไปไม่รอดได้แค่นี้ใจมันถอดถอดใจเลยถอดใจแล้ ว, ลวก็เออ ได้แค่นี้นะพ อ, อยอมรับว่าได้แค่นี้นะใจเลิกดิ้นเลยใจเลิกเห็นไหมเอาความท้อใจมาใช้ประโยชน์เห็นไหมไม่ใช่ท้อแท้แล้วก็เลิกปฏิบัตินะท้อแล้วเลิกดิ้นใจไม่ดิ้นมันไม่มีทางจะทำให้มันหลุดพ้นได้ละชาตินี้หมดปัญญาละตามรู้ตามดูนะพอมันแจ้งอริยสัจจริงๆแจ้งอริยสัจแจ้งปฏิจจสมุ ป, ปบาทจริงๆ โอ้มันคุ้มกับการที่เราเหนื่อยยากมาแสนสาหัสนะเหนื่อยยากหลวงพภาวนามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนเราลำบากมานานโอ้ทุรักทุเลลำบากใจต้องถึงจริงๆนะก็ต้องสะสมกำลังจิตกำลังใจของเราที่เรียกว่าบารมีแต่ละอันแต่ละอันสะนสมการจะออกจากพบจากชาติไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเราไม่เริ่มเจอแต่ปันนี้เดี๋ยวนี้นะไปเจอพระสีอานแล้วก็ขี้เกียจขี้คลานอีกก็ทําไม่เป็นอีกหลยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปแต่ละคนไม่ได้เริ่มนับหนึ่งนะหลวงพ่อบอกให้ก็ได้ในนี้ส่วนมากไม่ได้เริ่มนับหนึ่งหรอกเคยสร้างเคยสมอบรมมาแล้วก็ต้องทําต่อบางชาติไม่เจอศาสนาพุทธนะวางเวงใจวางเวงไม่ชั่วนะ แต่วังเวงในใจลึกๆมันไม่รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดำรงชีวิตแบบไร้ทิศทางไร้เป้าหมายมก็เป็นคนดีอย่างที่โลกเขาเป็นนั่นแหละนะแต่ใจลึกๆนี่วังเวงชาติใดเจอาศาสนาพุทธก็ค่อยคึกคักขึ้นมากับปรี่กั บ, กกบเปาได้มาศึกษาธรรมะศึกษาแล้วก็เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะไม่ใช่ศึกษาแล้วได้เอาได้เอานะต้องสู้นะ สู้เพื่อตัวเราเองมันเหมือนไฟไหม้บ้านจะขนของหนีหรือว่ายัางจะเอาน้ำมาดับก็ต้องเอาซะกันสู้ตายต้องสู้ไฟคือกิเลสนี่เองบ้านของเราคืออะไรคือขันนี่เองคือจิตใจของเรานี่เองถูกกิเลสแผดเผาทั้งวันทั้งคืนหาความสุขไม่ได้เลยถ้าไม่สู้ก็ถูกเผาตายตายแล้วก็เกิดมาให้เขาเผาอีก ถ้าใจถึงๆนะมันไม่เกินวิสัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นคว้ามานี้ท่านค้นคว้ามาได้พอเหมาะพอดีกับภูมิของมนุษย์จิตใจของมนุษย์ที่ปกติสามารถจะเข้าถึงธรรมได้มนุษย์ถึงได้ชื่อว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนั้นภูมิของเราเป็นผู้มีใจสูงนะพวกเราเราเป็นภูมิมนุษย์แต่พวกเราชอบทําตนเองให้เป็นอมนุษย์ อย่างความโลภเกิดขึ้นเราเป็นอนมนุษย์ชนิดเปรตเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะเราก็เป็นอนมนุษย์ชนิดอสุรกายชอบหลงชอบเผลอเป็นอนมนุษย์ชนิดเดรัจฉานถูกความทุกข์ถูกความโกรธแผดเผาอยู่เป็นอนมนุษย์นรกเป็นมนุษย์นรกเรียกมนุษย์นิราโยหรือเพลิดเพลินกับบุญไปเป็นมนุษย์สเทโว บางคนภาวานาน้อมใจเข้าสู่ความนิ่งความว่างทำสมถะแนบนิ่งลงไปเรื่อยนิ่งน้อมใจไปสู่โรมโลกดูสิทิ้งความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงนะไปเอาภูมอื่นๆซึ่งใจต่ำกว่าเะนัในใจมนุษย์นะี่เป็นใจที่พร้อมกับธรรมะมากที่สุดละเพราะเรามีบุญวาสนานะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เหมือนกันได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกเป็นของยาก ยังได้เป็นมนุษย์แล้วยังมีศรัทธาอยากศึกษาปฏิบัติธรรมยิ่งหายากใหญ่คนทั้งโลกมีทั้งหลายพันล้านเดี๋ยวนี้กี่พันล้านไม่รู้มีหลายพันล้านคนคนที่จะมีศรัทธาศึกษาปฏิบัติธรรมมีนิดเดียวพวกเข้าวัดก็ไปยังพอมีนะส่วนมากเข้าไปหาอย่างอื่นไม่ได้ไปหาธรรมะนี่พวกที่ศึกษาธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติยิ่งน้อยลงไปอีก พวกที่ปฏิบัติแล้วถูกหลักถูกเกณฑ์เข้าถึงมรรคนิพพานนับตัวได้แล้วจากคนหลายพันล้านนะบีบบีบลงมานะเหลือหลักสิบเหลือหลักร้อยพวกเราได้บีบตัวเองเข้ามาถึงจุดที่ใกล้กับเป้าหมายและวพาะเรามีศรัทธาพวกเรามีความตั้งอกตั้งใจศึกษาธรรมะพวกเราลงมือดูจิตดูใจตัวเอง เราไม่ทอดทิ้งเราคอยศึกษาคอยปฏิบัติคอยดูจิต ด, ดูใจตัวเองมันก็รอเวลาที่จะได้รับดอกผลของการปฏิบัติทำเหตุให้ดีมีศีลมีใจที่ตั้งมั่นตามรู้กายตามรู้ใจไปจเจริญปัญญาทำเหตุถึงวันหนึ่งจะต้องได้ดอกผลแน่นอนเขามีเหตุจะต้องมีผลนะ เหตุกับผลมันต้องตรงกันด้วยทําเหตุคือสมาธิผลก็คือไปพรมมรรคทาเหตุฟุ้งซ่านไปเป็นเดรัจฉานฟุ้งทำเหตุโทสะตกนรกทําเหตุแล้มีผลเหตุกับผลตรงกันถ้าทําเหตุคือการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะจนกระทั่งวันนึงมันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจคือตัวปัญญามันเกิดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมันจะวางมันวางของมันเอง ไม่ต้องอ้อนบอนให้วางนะวางเองมันเหมือนแต่เดิมไปหยิบอะไรมาสักอันแล้วกำไม่นะไม่รู้ว่าคืออะไรอนะันหนึ่งแ ง, ง, ง, ง้มแง้มดูไปหยิบเอากิ้งกือมาเนี่ยเขามีสองพวกนะพวกหนึ่งเอาไปใส่หม้อเลยหมอ้มอแกงก็กินได้หนูพ่อยกไม่ใหญ่ไม่ดีอ่ะสมมติหยิบเอาขี้หมาขึ้นมาดูว่ามันขี้หมานะระวางกิ้งกือไม่ได้เดี๋ยวบางคนชอบคงไม่มีใครถึง ก, ก็กินขี้หมานะระวงัง มันเห็นว่ามันไม่ดีถ้าเห็นกายเห็นใจนี่เป็นก้อนขี้หมานะเป็นของไม่ดีมันจะวางวางเองนะไม่ต้องอ้อนวอนให้วางวางของเขาเองเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลยหน้าที่เราเนี่ยฟังหลวงพ่อพูดนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเห็นสภาวะอย่าทําผิดสองงานอย่าเผลอเลื่อนลอยไปแล้วอย่าไปเพ่งเอาเพ่งเอ า, เเอาสิ่งที่ผิดมีสองงานถ้าทําให้ผิดนะมันจะรู้กายรู้ใจได้กายกับใจจะแสดงใจรักทั้งวันทั้งคืน ออกไหมทำงานทั้งวันทั้งคืนบังคับเยอะไปหน่อยหนึ่งนะลดลงนิดหนึง่งภาวนาก็เป็นศิลปะนะรู้หลักที่หลวงพ่อสอนแล้วแต่ไปก็มีศิลปะรู้ศาสตร์แล้วก็ต้องรู้ศิลศิลปะก็คือมีโยนิโสสังเกตใจตัวเองโยนิโสมานาสิการช่วงนี้อะไรหย่อนไปช่วงนี้อะไรตึงไปสังเกตครับนะเพ่งมากไปลดลงคลายลงตั้งใจมากไปคลายออกไป ย่อหย่อนเกินไปขี้เกียจขี้คลานก็ปลุกใจให้มันคึกคักขึ้นมาภาวนาเหมือนขับรถนะบางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่งบางเวลาก็เหยียบเบรกนะเหยียบคันเร่งก็คือเจริญปัญญาเหยียบเบรกก็คือทําสมาธิใจต้องได้พักผ่อนบ้างบางครั้งสังเกตตัวเองไปได้เลยตอนนี้ลอแหลมไปละจะเข้าทางโค้งชีวิตมาถึงจุดที่มีปัญหาต้องเดินด้วยความระมัดระวังถึงจุดนี้ ถนนนี้ตรงตามรู้ตามดูไปอย่างผ่อนคลายบางช่วงก็วิกฤตนะภาวนาบางช่วงก็ตื่นเต้นบางช่วงก็สบายๆดูไปได้สบายๆแต่ละช่วงแต่ละเวลาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของศิลปะศิลปะเฉพาะตัวนะเหมือนคนแต่ละคนนะขับรถไปถึงที่หมายได้เหมือนกันแต่สไตล์การขับไม่เหมือนกันทางใครทางมันด้วยนะคนนี้ชอบขับ รถวิบากถนนดีๆไม่วิ่งไม่มันต้องไต่เฮว์ไต่เขาไปโอ้สนุกอีกพวกหนึ่งอยากจะขึ้นรถไฟฟ้าแปบ๊บเดียวเอาละง่ายๆนะีนินสัยคนไม่เหมือนกันไปสู่ที่เดียวกันนะวิธีการก็ยังมีแตกต่างกันไปในรายละเอียดนะแต่ในหลักเนี่ยต้องถูกหลักคือศาสตร์เนี่ยต้องถูกแต่ศิลปะเนี่ยเรื่องเฉพาะตัวแล้วอย่างลูกศิษย์หลวงปู่ดูลุนพี่หลวงพ่อชอบเดิน เดินเดินเดินทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อไปเอาอย่างท่านนะเป๋เลยไม่ได้เรื่องเลยเละเทะเลยภาวานามไม่เป็นเลยนะเราถนัดนั่งเราก็นั่งสิเราถนัดยังไงเราก็เอาอย่างนีน้แต่ถนัดนอนต้องนั่งนะยกเว้นไม่ค้อหนึ่งเถอนะมีเหมือนกันที่นอนแล้วได้ผลแต่ว่าตามสถิติมีน้อยมากสถิติมีน้อยในยุคสมัยเรานี่เคยได้ยินยอีูองค์เดียวเอง ครบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่ศรีสเกตนนชอบนอนฉันเสร็จแล้วก็ปิดประตูนอนทั้งวันเลยนะเย็นๆออกมากวาดว้ากลับไปนอนอีกละนอนอยู่งั้นนอนคนถามทำไมท่านภาวนานอนท่านบอกเวลาตายมันต้องนอนนี่ซ้อมของท่านอยู่ทุกวันภาวนาเก่งอย่างพระอนุนพระอ น, นุนนอนยุคเราก็มีพระองค์หนึ่ง มาเรียนกับหลวงพ่อหกเดือนท่านบอกถ้านั่งสมาธิทั้งวันเลยนั่งนั่งจนเหนื่อยเอนตัวลงนอนคล้ายๆผ้านอนเอนตัวลงนอนจิตก็รวมเข้ามาเลยให้เราไม่รู้นะว่ามรรคผลจะเกิดตอนไหนอย่าไปทิ้งโอกาสด้วยการปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปเราคอยตามรู้ตามดูมันต้องอดทนนะต้องลงทุนนะความอดทนต้องลงทุนตามรู้ตามดูเรื่อยๆ เราไม่รู้เลยนาทีใดคือนาทีที่จะแตกหักกับเราดูจิตมันเคยชินที่จะดูมันดูอัตโนมัติดูของมันเองอัตโนมัติ้มันดูอัตโนมัติแล้วถึงเวลาเนี่ยที่มันสุกงอมนะมันเป็นไปเองมันสุกงอมไปเองพอเข้าใจธรรมะโอ้อเนตอนาตที่สุดเลยอนาตตัวเองนะเหมือนสัตว์เลื้อยคลาน หันกระดึบกระดึบกระดึบหันไปดูพักพวกเหมือนเราขึ้นมาอยู่บนภูเขายอดเขานะหันไปดูเหมือนทากอยู่ก้นเหวอย่างเงี้ยเรียกก็ขึ้นมาเหอขึ้นมาเหอะ <c oughs> มันก็ขึ้นเหมือนกันเหมันขึ้นขึ้ น, นลงลงส่วนมากอยันอยู่พักเดียวเราก็เลิกอยันอยู่พัคเดียวเราก็เลิกไม่เอาจิงอะ่ะเมื่อแต่เดินบกไปวกมาให้มันเด็ดเดียวเข้ามาหลวงพ่อได้เรียกร้องแต่เรื่องอดทนใช่ไหม ทนไว้นะทนไว้นะคำว่าอดทนเนี่ยสำคัญมากเลยจนกระทั่งถึงนาทีก่อนที่จะเกิดโคตรภูยานวินาทีก่อนที่เกิดโคตรภูยานองค์ทำสําคัญเลยคือขันตินี่เองมันอดทนต่อการไปรู้สภาวะธรรมทั้งหลายอดทนสภาวะนั้นคืออะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปอดทนถึงขนาดอะไรก็ได้ อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้จะอยู่หรือจะตายก็ได้อดทนจิตถึงจะวางสภาวะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ได้งั้นอึดๆไมนะอึดไหมหลวงพ่อนะเป็นคนที่อดทนในการฝึกตัวเองอดทนอดกลั้นตอนจะบวชเนี่ยหลวงพ่ออ้วนน้ำหนักเยอะมันกินน้อยก็อ้วนนะมันเป็นกรรมพันธอ้วนทั้งตระกูลเลย มีญาติบางคนนะเคยขี่เบนท์แล้วขี่ไม่ได้เข้ารถไม่ได้ต้องไปนั่งปิกอัพใช่นั่งข้างหลังอยู่คนเดียวอะ่ะมันเป็นสายพันธุ์เป็นอย่างนั้นนี่น้ำหนักเราเยอะนะตอนจะบวชเนี่ยต้องนั่งคุกเขา่าประมาณ4ีสิบหนาทีไม่ใช่ง่ายนะโอ้ลงน้ำหนักเยอะๆแล้วคุกเข่าเนี่ยมันแทบจะพังภาพเลยแล้วเป็นคนที่ไม่จำด้วย บทสวดขานมากอ่ะก็ต้องยาวเนยะต้องอดทนมากเลยในการฝึกสวดวรรวักซ้อมล่วงหน้าเป็นปีเลยัลรวักเดียวได้สองสามวันเอาอีกแล้วหายไปอีกละมาเริ่มต้นอีกนะซ้อมทุกวันทุกวันจนแม่นเปรี้ยเลยนะเวลาใช้งานจริงนี่แม่นเปรี้ยเลย นั่งคุกเข่าไม่ได้นะซ้อมนั่งคุกเข่าเอาแล้ววันนี้ได้สี่สิบห้านาทีภูมิใจในตัวเองนั่งได้สี่สิบห้าวินาทีไม่ใช่นาทีภูมิใจ <c oughs> พรุ่งนี้พยายามนั่งได้ให้สักห้าสิบอะไรเงี้ยเขยบขยับข ย, บ, ขยบอย่างนี้นะอดทนมากเลยแล <c oughs> มันเป็นนิสัยที่อดทนนั่นแหละตอนเล่นกระ บ, บีก่กระบองคนอื่นเขาลำไปตั้งหลายสิบท่าแล้วูมพ่อฝึกท่าเบสิกอยู่ท่าเดียว ฝึกอยู่นั่นแหละไอ้พวกรำเก่งๆสู้เราไม่ได้เราไม่มีกระบวนท่านะมีแต่ท่าเบสิกป้องกันตัวเองไว้ท่านึงงั้นต้องอดทนนะทนตอนหลวงพ่อเด็กๆนะโดนพ่อฝึกให้อดทนแล้นั้นมันมีหาบขายของมาหน้าบ้านคนจีนหาบมามีของเล่นมีรถไฟอยู่สองคันนะหัวรถจักรหางมันทำด้วยพลาสติกนะอลบาดหนึ่ง ไปบอกพ่อให้ซื้อให้สิพ่อบอกเดี๋ยวอดทนไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อให้นะเราก็ว่ามันจะขายคนอื่นไปหรือเปล่านะยัางเด็กเล็กๆ เ, เลยนะต้องอดทนถูกฝึกให้อดทนอ้าววันนี้ไปดักมันตั้งแต่เที่ยงเที่ยงนะมันจะต้องมาตอนบ่ายสักสี่โมงคอยดูด้วยมันจะหมายอย่างเดี๋ยวมันมาแล้วมันเลยไปนะี่พอมันมาไปเรียกพ่อมาซื้อพ่อบอกวันนี้จะซื้อให้คันเดียวก่อนจะได้อดทน เราก็นึกว่าจะซื้อหัวมันนะไปซื้อหางให้เราจะได้อดทนเพราะหัวมันน่าเล่นกว่านะอีกวันร้องไห้เลยนะมันขายไปแล้ว <c oughs> ตลกมากเลยมันจริงจริงนะเสร็จแล้วก็มีหางหนะเชือกผูกลากๆไปไปเจอไอ้อีกคนมันลากหัวมาแมต่างคนต่างลากของตัวเองกลับบ้าน มีคนโบราณนะฝึกลูกฝึกหลานฝึกขนาดนี้ฝึกอดทนนะต้องรอได้ใจต้องถึงถึงนะการภาวนาต้องถึงหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เหลียนก่อนท่านมรณภาพไม่กี่วันไม่นานท่านนอนอยู่บนเตียงแบบเตียงโรงพยาบาลไนะขได้ตาแปลวแปวเขาไปถึงนะท่าน กราบท่านนะท่านต้สอนธรรมะนะต้องอดทนนะดูสิผู้เท่าสอนต้องอดทนนะต้องสู้นะต้องต่อสู้จะข้ามเพราะข้ามชาติไม่ใช่ข้ามง่ายๆต้องสู้ท่านก็เล่าว่าท่านเองสู้มาแสนสาหัสเลยท่านเกิดธรรมปติที่ท่านต่อสู้มาน้ําตาคลอเลยนะด้วยเกิดธรรมปติไม่ใช่พระร้องไห้นะจิตใจท่านคึกคักห้าวหาน นอนจนลูกไม่ขึ้นแล้วนะอย่างสอนลูกหลานต้องสู้ตายนะต้องสู้นะต้องสู้หลวงปู่เสู้ตายมาตลอดนะสอนเงนี้ยเนี่ยดูครูบาอาจารย์แต่ละวง์แต่ละองสู้ตายทั้งนั้นหลวงพ่อยังไม่เคยเจอนะประเภทตื่นมาไปฉันข้าวแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ไปแล้วนะ <c oughs> ยังไม่เคยได้ยินเลยนะมีแต่สู้ตายทั้งนั้นต้องอดทนอดกลั้นนะ ขันติในเรื่องสําคัญมากเลยอดทนต่อความยากลําบากทางกายความยากลําบากทางจิตใจงั้นเวลาเราผ่านปัญหาในชีวิตเนี่ยทนทนไว้ปัญหาไม่ว่าร้ายแรงแค่ไหนนะถึงวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปงั้นท่องไว้นะเวลาเรารเผชิญกับความทุกข์แสนสาหัสทนะ่องคาถาของหลวงพ่อไว้นะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท่องไว้เขาสู้ตายสู้ด้วยสติด้วยปัญญา ไม่ยากนะไม่ยากแต่ว่าใจต้องถึงถึงนี่วันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องใจถึงมากหน่อยเพราะพวกเรารู้หลักอยู่แล้วรู้หลักอยู่แล้วเราต้องตามรู้ตามดูเรื่อยๆอย่าท้อถอยดูไปถึงช่วงหนึ่งมันขี้เกียจขี้คล้านมันท้อแท้มันเป็นไปได้ทุกกฎแหละแต่ท้อก็ต้องดูนะไม่ใช่ท้อเราเลิกนะงั้นถ้าภาวนาเป็นแล้วเนี่ยต้องอดทนส่วนพวกที่ภาวนาไม่เป็นอย่าเพิ่งอดทนนะมาเรียนให้รู้เรื่องก่อน เดี๋ยวมันทนต้องใช้คำไม่สุภาพบอกแต่บี้ตะบันไปทำอะไรก็ไม่รู้นะมันหลงทางไปไกลแต่ถ้าฝึกอย่างเงถาสติเราเกิดแล้วรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจได้อย่างแม่ชีทำอะไรแม่ชีนะถลําลงไปนึกออกั้มใจมันลงไปนะให้เรารู้สึกขึ้นมาเรารู้สึกได้แล้วต้องอดทนแล้วตอนนีน้ทนทนดนะูเหมือนคนทอผ้าทอผ้า คิดดูได้ทีละเส้นเส้นเล็กนิดเดียวเนี่ยกลายเป็นฟืนผ้าขึ้นมาได้ด้วยความอดทนนะทนทำเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นนะเเหมือนคนทอผ้าสมัยโบราณนะไม่ใช่เหมือนสาวฉันทนายุคนี้นะถึงเวลาก็ไปกินส้มตำใส่ปนะูมีความสุขฟังเพลงฟังวิทยุถ้าทำเหตุผลจะต้องมีผลที่ได้ก็ต้องตรงกับเหตุ แล้วก็สมควรแก่เหตุด้วเราอดทนเราภาคเพียนเราสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาสังเกตตัวเองมากเข้ามากเข้านะมันซักฟอกลงมาในจิตในใจตัวเองมากเข้ามากเข้าสติปัญญานี่ค้นคว้าลงในจิตในใจเราเนี่ยจนไม่มีอนุใดที่กิเลสจะแฝงอยู่ได้กิเลสสุดท้ายเลยคืออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ ถ้าตราบใดไม่รู้แจ้งอริยสัจนะยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ที่คุณตรงถามปฏิจจสมุ ป, ปบาทก็คืออริยสัจนั่นเองถ้าไม่แจ้งอริยสัจไม่แจ้งปฏิจจสมุ ป, ปบาทข้ามภพข้ามชาติไม่ได้อริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกขทุกคืออะไรทุกคือขันหานะทุกคือกายกับใจตัวขันหานี่แหละคือตัวทุกขสัจ นี่มีขันห้าแล้วมันก็มีทุกขเวทนาอย่างร่างกายเจ็บป่วยเป็นกล้งเป็นคราวนั่งแล้วปวดมันเมื่อยอะไรเนี่ยความปวดความเมื่อยความเจ็บความป่วยอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาหรือจิตใจบางครั้งก็กลุ้มใจไม่สบายใจนี่เรียกโทมนัสเวทนานี่ตัวเวทนาทุกขสัตว์ไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขสัตว์คือตัวขันนั่นแหละคือตัวทุกข เห็นไหมเกินปัญญาที่จะรู้นะเกินปัญญาที่จะนึกด้วยนึกยังไงก็ไม่ออกขันห้าทําไมเป็นทุกข์ขันห้าไม่เห็นจะน่าเป็นทุกข์เลยร่างกายเป็นวัตถุทําไมร่างกายเป็นทุกข์เนี่ยเรารู้แต่ทุกขเวทนาหรือเราหัดเจริญสติทำวิปัสสนานะบางคนก็เห็นทุกขลักษณะทุกขลักษณะคือสภาวะแห่งความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งปรุงแต่งทั้งปวง เช่นความทุกข์เกิดขึ้นก็ชั่วคราวนะความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราวทุกสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งนะเป็นของชั่วคราวทั้งหมดนี่นั่นเรียกว่าทุกขลักษณะทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ทุกขสัตว์นะทุกขเวทนาความเจ็บปวดทางกายทางใจก็ไม่ใช่ทุกขสัตวนะ์ทุกขสัตว์เนี่ยถ้าเห็นอะไรก็คืออย่างต่ำจะได้พผ้านาคา ท่านาคาท่านาคาจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์นะไม่ใช่กายที่เจ็บป่วยเป็นทุกข์นะกายเนี้ยทุกข์ล้วนๆเลยเห็นกายเป็นทุกข์ก็จะหมดความยึดถือในกายสิ่งที่เรียกว่ากายเรานะขยายออกไปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองตาก็เป็นกายหูก็เป็นกายใช่ไหมพอไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายนะมันก็จะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะด้วย รวมทั้งธรมมารมณ์ที่เนื่องด้วยกายนะหรือธรรมารมณ์ที่เนื่องด้วยกามเรียกว่ากามมาธรรมนั้นจะไม่ยึดในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและกามมาธนะรรมคือกามในใจและกามมาธรรมพอไม่ยึดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นปรากฏอยู่หรือหายไปเนี่ยจิตจะไม่ยินดียินร้ายกามและปฏิฆาก็ไม่มี เมื่อไหร่ไม่ยึดในกายนะก็จะ well. ไม่มีการและปฏิฆะเป็นพระนาคามีนั่นเอง ภ, ภูมิของพระนาคามีเสร็จแล้วมันจะมายึดจิตนะยึดจิตอันเดียวแล้วไม่ยึดอย่างอื่นแล้วเ <c oughs> หลือแต่จิตอันเดียวยึดอยู่ที่จิตเพราะว่าจิตนี้เป็นตัวดี <c oughs> จิตนี้เป็นตัววิเศษเราเห็นเลยว่าถ้าจิตนี้ไม่มีความอยากถ้าจิตไม่มีความยึดจิตจะมีความสุขถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์จะเห็นอย่างนี้ อย่าเข้าใจว่ารู้ถูกนะนี่รู้ผิดนี่ยังรู้ผิดอยู่ตอนปันไดปัญญาแจมแจ้งจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีอนูใดที่ไม่ทุกข์เลยจิตเป็นขันจิตก็เป็นทุกข์เห็นแจ้งว่าจิตเป็นทุกข์บางคนเห็นมันเป็นทุกข์ได้เห็นทุกขะัตร์ได้เพราะว่าเห็นมันเป็นอนิจจังบ้างเห็นมันเป็นทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างแล้วก็รวมเข้ามาจงถึงตัวมันไม่ดิ้นไปละ ก็เห็นตัวมันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยครับนี่มันจะสลัดออกเองผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็เห็นธรรมนะพอสลัดออกไปหมดความยึดถือจิตเท่านั้นเองอิสระภาพที่แท้จริงก็เกิดขึ้นทุกวันนี้เราไม่มีอิสระเราหยิบฉวยจิตเอาไว้ตลอดเวลานะรู้สึกไหมเนีย่ยทำใจอย่างนั้นใจอย่างนั้นเลื่อนลอยไปนะหายใจแรงๆสบาย หายใจแล้วถอนใจทีหนึง่งจะได้มีความสุขวันใดเห็นจิตนี้เป็นตัวทุกข์สลัดออกมันสลัดออกภาษาบาลีเรียกว่าปฏินิสสัคขปะปฏินิสสัคขะสลัดออกไปวางอนาระยะอนาลโ ย, าลา ย, าลายไม่ยึดถือมันวิมุตติวิมุตโตหลุดพ้นหลุดจากสิ่งห่อหุ้มืออาสวะไม่ยึดถือในรูปในนาม นีมีสับเยอะนะตรงนี้ยสับหลายตัวสภาวะอันเดียวกันนั่นเองแล้วแต่มุมที่มองใจเข้าถึงธรรมลว้ลวนเลยเวลาเข้าถึงธรรมล้ว น, วนคือเข้าถึงนิพพานบางคนเห็นว่านิพพานเนี่ยไม่มีที่กําหนดใหม่ไม่มีที่กําหนดใหม่บางคนเห็นว่านิพพานเนี่ยปราศจากความเสียดแทงทั้งปวงเห็นสภาวะที่พ้นจากความเสียดแทง บางคนเห็นสภาวะที่ไม่มีที่กําหนดหมายไม่มีการทํางานใดๆขึ้นมาอีกบางคนเห็นเป็นความบ้างเปล่านั้นการเข้าไปเห็นนิพพานของคนแต่ละคนยังมองกันคนละมุมได้อีกมองของอ น, นิมิตตวิโมกมองแบบอัปาณิหิตาวิโมกเป็นสุญญาวิโมกวิโมกวิโมกเนี่ยสามอย่างเนี่ยเห็นนิพพานนะ อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นเห็นโลกเห็นสังขารเห็นกายเห็นใจเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไปเห็นนิพพานนิพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยเต็มอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่เอใจมันเต็มอิ่มนะใจมันหมดการดิ้นรนหมดความหิวโหยพวกเราภาวนามาถึงนี้พอดูออกไหมใจเราหิวตลอดเวลา เดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิน่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากปฏิบัติอเงี้ยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เกิดการทำงานตามความอยากตลอดเวลาใจไม่ได้มีอิสรภาพไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสงบไม่มีสันติสุขเลยพอเราปล่อยวางความยึดถือจิตใจไปแล้วนะมันจะเข้าถึงอิสระภาพไม่ได้ยึดอะไรงั้นเรารู้ทุกข์แกมแจ้งนะตัณหาจะดับเอง เห็นน <necessary. S 2> uh, really like. ิโรธเห็นนิพพานขึ้นมานี่เรียกว่าอริยสัจส่วนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นการซอยขั้นตอนในรายละเอียดออกไปอีกระหว่างความไม่รู้เนี่ยมันโยงไปถึงทุกได้ยังไงหรือว่าทำยังไงอะไรดับทุกถึงดับจนถึงดับความไม่รู้เป็นยังไงจะลงรายละเอียดของการปฏิบัติเราหัดเบื้องต้นเรายังเห็น ปฏิจจสมุปบาท ต, ตลอดสายไม่ได้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมคือพระโสดาบันเป็นขั้นต้นโสดาบันจะเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าไม่ทราบซึ้งเท่าไรหร่จะรู้สึกปฏิจจสมุปบาทนี้เข้าใจง่ายๆเห็นแล้วนะภูตุชนรู้สึกปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งยากเย็นเหลือเกินพระโสดาบันรู้สึกว่าเออไม่ยากอะไรเหมือนพระนุน วันหนึ่งไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าข้าปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ว่าลึกซึ้งรักกรดแก่ข้าพระองค์เนี่ยเหมือนของตื้นพระเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นนะพระอนนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งนักลึกซึ้งนักแต่ความรู้ความเข้าใจท่านได้แค่นั้นมันลึกจนมาทวนกระแสเข้าไปเรื่อยตามทวนเข้ามานะทูลเข้ามาทวนเข้ามาจนถึงเอาวิชา แล้วก็ล้างออวิชาด้วยวิชาได้ด้วยความรู้แจ้งแจ้งเห็นขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยยากที่สุดพระโสดาบันไม่เห็นขันห้าเป็นทุกขนะ์นะโสดาบันไม่ได้เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ยังไม่ได้เห็นทุกข์สัตย์อย่างแจ่มแจ้งถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็คือจะข้ามภพข้ามชาติแล้วงั้นต้องค่อยๆฝึกไปนะคุณตรงเรียน ปฏิจจสุบัติที่ใช้บรรยายกันก็เรียนได้แต่ไม่มันหรอกเราหัดภาวนาที่แรกเราจะเห็นท่อนปลายก่อนเราจะเห็นเลยมันมีตามีหูใช่ไหมมันไปกระทบอารมณ์ขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาพอเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาใจก็ยินดียินไล่ขึ้นมาอยากให้อย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ตัณหามันเกิดตัณหาเกิดใจมันก็ดิ้น ตรงเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมามันมีเบญธนาเสร็จแล้วมันก็มีตัณหาเกิดแทรกเข้ามามันยินดีบ้างมันไม่ไม่ยินดีบ้างอยากได้ไวอยากผลักออกไปบ้างพอความอยากเกิดขึ้นครอบงําใจนี่จิตจะเริ่มทํางานนะพยายามหยิบฉวยอันนี้พยายามจะผลักอันนี้พุ่นไหวขึ้นมาจิตทํางานเรียกว่าพบนั่นเองทันทีที่พบเกิดนะจิตจะไปหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาอัตโนมัติเลยจะยึดเอามาว่าเนี่เราเราเร า, เราอัตโนมัตินะนี่คือชาติ ทันทีที่ไปหยิบฉวยขึ้นมาเนี่ยทุกจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยนะกระทั่งในขณะที่สุขเวทนาเกิดตัณหาเกิดจิตใจทําเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลินนะแต่หยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาเป็นเราอยู่เนี่ยความทุกข์ก็เกิดมันจะหนักขึ้นมามีน้ําหนักขึ้นมาเพราะการหยิบฉวยนั่นเองนะแต่ว่าพอปัญญาแจ้งวางไปแลไม่หยิบฉวยขึ้นอีกไม่มีน้ําหนักละภูเขาลูกนี้หนักไหม ทั้งนี้มีภูเขาเนี่ยวัดนี้มีภูเขาล้อมนะอยู่ในภูเขาภูเขาเยอะแยะนี่ไม่มีน้ำหนักเลยถ้าเราไม่ไปแบกมันไว้ขันห้าที่ว่าหนักหนาสาหัสเนี่ยไม่มีน้ำหนักถ้าเราไม่ไปแบกไว้แต่เราแบกตื่นเช้าขึ้มานักปฏิบัติชั้นเลิศจะต้องหยิบชฉวยจิตขึ้นมาเอาไว้ดูก่อนหยิบได้นะแต่วางไม่เป็นวางไม่ได้หรอกแล้วก็จะหนักหนักอกหนักใจอยู่อย่างนั้นน แต่ถ้าเป็นพระอราหันต์นะท่านบอกว่าพระอราหันต์คือพระอริยะเจ้าบางทีเขาใช้คําเลี่ยงไม่อยากใช้คํ า, รร า, าคว่าพระอรหันต์ใช้คําว่าพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าวางของหนักลงไปแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากทุกทั้งป่วงหรือหลกปู่ดูลบอกว่าพระอริยะเจ้านะมีจิตไม่ส่งออกนอกหรือถ้าจิตส่งออกนอกก็ไม่กระเพื่อมบั่นไหวพระอริยะเจ้าของท่านนี้ก็คือพระอราหารันต์ ถ้าพระอริยะชั้นอื่นๆนะทั้งออกนอกทั้งวันไหว <c oughs> งั้นเราภาวนานใจมันจะค่อยโปร่งโล่งเบาไปเรื่อยนะภาระเครื่องผลาญพลังถ้ถูกปลดออกทีละชิ้นสองชิ้ น, นทีแรกมีภาระหนักนะภาระมากจิตใจถูกกดท่วงหนักหน่วงแสนสาหัสมากมายหัดรู้หัดดูค่อยๆปลดออกทีละน้อยทีละน้อยนะ สมเดือนเราลองย้อนมาดูตัวเองทีหนึ่งหรือหเดือนหรือปีหนึ่งย้อนมาดูนะเราจะเห็นเลยว่าเราได้ปลดภาระบางส่วนออกไปแล้วพอเราโง่น้อยลงเราก็แบกน้อยลงปลดภาระออกไปใจก็โปร่งโล่ ง, ลงเบาขึ้นเบาขึ้นนะครูบาอาจารย์ท่านชับเทียบบอกเหมือนคนหลงป่าทึบป่าทึบมีแต่ห น, นามร ก, รกเดินไปทางไหนก็หนามทิ่มตั้ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวัน ภาคเพียนไปเรื่อยนะภาคเพียนไม่หยุดก็เข้ามาสู่ป่าโปลงขึ้นโป่งขึ้ น, นวันหนึ่งก็หลุดออกมาจากป่าได้แต่อย่าวนเวียนอยู่ในป่าวนเวียนอยู่ในป่าก็คือเวียนอยู่ในแต่กามของเรานี่เคลื่อนเคลินแต่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวนเวียนอยู่แค่นี้มันก็เวียนอยู่ในป่านี่แหละออกจากป่าไม่ได้สักทีนะแต่ถ้าใครมีครอบครัวยังต้องมีกามก็ถือว่าทําหน้าที่ไป ทำไปตามหน้าที่ไปหลงเพลิดเพลินมากใจเด็ดเดี่ยวใจมุ่งมั่นนะเดินไม่ถอยเดินไปแต่ต้องรู้ทิศทางไม่ใช่เดินแล้ววนเวียนอยู่ไม่รู้ทิศทางรู้ทิศทางคือฟังธรรมให้เข้าใจทำไงสติจะเกิดสติเกิดแล้วรู้รูปนามตามความเป็นจริงนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะรู้ไปรู้ความจริงแล้วใจมันค่อยปล่อยใจค่อยวางของเขาเองนะเรียนอย่างนี้ ให้ถูกหลักถูกหลักถูกเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่อยู่ๆก็น้อมใจไปดูสุญญตานะเพี้ยนนะอยู่ๆก็ไปดูสุญญตาไปดูปลายทางจะได้อะไรพวกทำวิปัสสนาณนะอยู่ๆก็ดูสุญญตาไปดูปลายทางไปดูสมบัติของคนอื่นซึ่งตัวเองไม่มีไปดูสมบัติของพระอราหันต์ซึ่งตัวเองไม่มี พวกทำสมถะนะถอดจิตออกไปสวรรค์ไปดูเทวดานางฟ้าดูปราศาทตรราชวังเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กระท่อมอย่างเดิมไปเห็นสมบัติชาวบ้านรับไม่ใช่สมบัติของเราเองเราต้องภาคเพียรทำสมบัติของเราเองขึ้นมาด้วยการรู้กายรู้ใจลงมานี้แหละลงไปซักฟอกมันเข้าไปมันติดมันข้องอะไรนะก็อคอยดูไปบางทีก็ใช้สติ ตามรู้ตามดูเขาหลุดออกมาสติตามรู้ตามดูยังสู้ไม่ได้ใช้สมถะเช่นใช้การคิดพิจารณาลงไปอย่างที่ท่านในพลพูดเมื่อเช้าหน่วยงานซึ่งเราคุ้นเคยถูกเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกไม่ถูกต้องก็มาคิดพิจารณาว่าทุกอย่างมันชั่วคราวอะไรนี่มีสติมีปัญญาสู้สู้ไม่ได้เป็นทุกข์นะโ นัสติปัญญาของเราค่อยแหลมคมขึ้นเรื่อยๆ อ, อาวุธของเรามีรอบตัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่เดิมอัตคัดขาดแคลนอาวุธที่จะสู้นะสมถะก็ไม่มีมีปัสฉนาก็ไม่เป็นมีศรัทธานเดียวนี่แหละนี่ก็ค่อยเรียนมีศรัทธาแล้วก็เข้ามาฟังธรรมค่อยเรียนค่อยรู้นะพัฒนาอาวุธของเราขึ้นมาอาวุธที่แหลมคมนานาช น, น, นิดเลยศีลก็เป็นอาวุธอันหนึ่งเห็นไหมทานศีลสมาธิปัญญา เนกขัมมะบรารมีทั้งหลายนั่นแหละคืออาวุธของเราแหละนี่สร้างบรารมีมากเข้ามากเข้านั่นคืออาวุธรอบตัวอะไรแถวนี่ยหยิบอะไรขึ้นมาก็ใช้ได้หมดเลยหลวงพ่อเคยเรียนกฎหมายนะบอกว่าเราไปกัดคนเนี่ยนะได้รับบาดเจ็บเนี่ยถือว่าไม่ได้ใช้อาวุธถ้าเราใส่ฟันปลอมไปกัดเขานั้นถือว่าใช้อาวุธเมื่อก่อน <c oughs> มีการเรียนอย่างนี้ด้วยนะบอกงั้นถ้าใคร มีฟันแ ท, ท้ๆกัดเขานี่ได้เปรียบ <ís passengers> นะแล้วใส่ปันปลอมเอเป็นอาวุธไม่เป็นพิลึกอย่างนั้นเมื่อไหร่นูนกฎหมายประหลาดประหลาดนะสังเกตใจนะจิตใจมีความสงบรู้สึกไหมจิตใจมีความสงบจิตใจมีความสุขค่อยดูลงไปวันนี้หลวงพ่อพูดธรรมะได้ประณีตหน่อยเพราะว่าพวกเราน้อยแล้วก็ส่วนมากคือพวกที่เรียนมาแล้วจานวนมากคือพวกที่ตื่นแล้ว จิตตื่นขึ้นมาแล้วคนที่กำลังสงสัยว่าตื่นหรือยังไม่ตื่นให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่สงสัยกันตั้งเจ็ดแปดคนพร้อมๆกันนะ <c oughs> รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันความทุกข์เข้ามาไม่ได้รู้สึกไปหนูนาอย่าทำเ อ, อ๋ทาเ อ, อ๋อยู่ พาหลานมาเออว่าไงส่งกันบ้านเนยะเอาไม้ไปไปอยู่เมืองนอกหลายปีเพิ่งกลับมาครับกลับแล้วนเรียนจบแล้วด้วยเรียนจบแล้วฮะก็รู้สึกว่าพอตอนกลับมานี่อาอารมณ์ค่อนข้าง เ, าเป็นคนโกรธง่ายฮะกลับมารู้สึกว่าใจหวาหวุ่นทั้งสังคมเมืองด้วย ก็อยู่ที่ใจเรานะใจเราถ้าอบรมให้ดีแล้วเราอยู่ที่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่ที่ในบ้านก็มีความสุขนะอยู่ในป่าก็มีความสุขแต่มันสัพเพย่าสำหรับเราเองนะคือถ้าใจเราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่แวดล้อมอยู่นะอยู่ตรงไหนก็สัพเย่าหมดไปงั้นเราต้องค่อยๆพัฒนาใจของเราอย่าไปเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมนะั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดลสมมติเราไปทําไว้จนดีแล้วนะเดี๋ยวมันก็ชํารุดสุดโทรมไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนต้องค่อยปรับต้องค่อยปรุงไปด้วยเราไปสร้างบ้านไว้จนสบายเดี๋ยวก็ต้องซ่อมอีกละเดี๋ยวต้องทำโน่นทํานี่อีกละมันของต้องเปลี่ยนแต่ถ้าใจของเราเข้าถึงความสงบสันติจริงๆนะสิ่งภายนอกมันเปลี่ยนตามหน้าที่ของมันเปลี่ยนไปตามหน้าที่ของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันใจเรามีความสุขนะ ีความสุขเราจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมใช่ต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าอยู่กับคนนี้ไม่สุขอะไรยเงี้ยต้องได้กินอย่างนี้ถึงจะสุขถ้ากินอย่างนี้ไม่สุขต้องได้ยินเรื่องอย่างนี้ถึงจะสุขได้ยินเรื่องแบบนี้ไม่ชอบเลยใ่อฝึกเอาหัดรู้หัดดูไปไม่ได้ยากนะง่ายรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆรรู้ไป รู้จนวันนึงก็วางวางเป็นลำดับลาดับไปเราก็วางอยู่ทุกวันอนะ่ะพวก น, นักปฏิบัติเราลองสังเกตดูปีนี้กับปีกลายก็ไม่เหมือนกันละรู้สึกไหมจิตใจจิตใจไม่เหมือนเดิมถ้าภาวนานะต้องภาวนาถูกด้วยนะแต่ความจริงถ้าภาวนาผิดก็ไม่เหมือนเดิมมันจะแย่กว่าเดิมเช่นอึดอัดมากขึ้นเครียดมากขึ้นตัวแข็งมากขึ้นคนะอเครียดมากขึ้นไม่เหมือนเดิมเหมือนกัน ถ้ภาวนาถูกนะใจก็โปร่งใจโปร่งร่งเบาร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลาย น, ะนานๆทีความเจ็บไข้แทรกเข้ามาในร่างกายก็ไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันนะเห็นร่างกายมันเจ็บไข้ก็ไม่เป็นปฏิปักษ์นนะ ก, ก, ก, กับความเจ็บไข้ถ้าเป็นปฏิปักษ์กับความเจ็บไข้นะใจจะมีความทุกข์อีกอยังไม่สบายขึ้นมานะโมโหมัหมนพวกเราต้องเตรียมพร้อมนะครดูครฝึกไป ฝึกตั้งแต่ยังแข็งแรงนี่แหละยามเจ็บป่วยยามชีวิตมีปัญหามันสู้ได้ไม่ลงทุนฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้นะเวลาเจ็บป่วยหรือชีวิตมีปัญหาสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้ยุตนะิธรรมนะยุติธรรมที่สุดทำยังไงได้อย่างนั้นทำไม่นะง <c oughs> อย่าน้อยใจไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา <c oughs> ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปใช่เอม แล้วเขาเพลงเขาบอกอะไรนะนี่คือปณิธานที่หารมุง น, นี่คือปัญญามีปัญญาเข้าใจนะสบายเราชอบน้อยใจโชคชะตาชอบโทษคนอื่นน่ะไม่รู้จะโทษใครก็โทษโชคชะตามันไม่เถียงนี่นะเคยมีคนคนหนึ่งอยู่นองปราพงเอกช่วยหลพ่ชาสร้างวัดช่วยดูแลอะไรทุกอย่างเลยนะ มีทรัพย์สินเงินทองก็มาช่วยมีเรี่ยวมีแรงก็มาช่วยนี่มีอยู่ขราวหนึ่งแกอยากรู้อนาคตก็ามาถามรู้เนี่ยหลวงพ่อชาต้องรู้แน่ๆเลยหลวงพ่อชาเป็นพระอรหรันต์เงั้นต้องรู้อนาคตหนึ่งไม่เกี่ยวกันเลยนะพระอรหันต์ไม่รู้อนาคตก็มีถมไปนะไปโดนควายวิดก็มีนะเข <c oughs> มาบอกท่านให้ท่านช่วยดูหมอให้หน่อยไม่เอาไม่ดูไม่ไม่อยากให้งมงายไม่ให้ดูมัน อ้อนวอนท่านนานๆลําเลิกเลยนะว่าผมอุตส่าห์ทําความดีให้ท่านตั้งเยอะแล้วขอท่านแค่นี้ท่านไม่เมตตาเลยเนี่ยทาให้ผมเสียกําลังใจอกงั้นจะละเลยกติกาเอาจะดูให้คนหนึ่งนะแต่ต่อไปไม่เอาแล้วนะดูให้คนเดียวเอาลายมือมาเอามือมาจับพลิกไปพลิกมาโอ้ลายมือคนนี้สําคัญมากนะสาคัญ โอ้น่าสนใจนะ น, น่าสนใจอันนี้ใจเต้นตุบๆนะดูอยู่นั่นแหละแล้วท่านก็พูดไปเรื่อยๆนะโอ้ตื่นเต้นตายมือไม่เหมือนคนอื่นนะเอาละฟังคำทายนะชีวิตของคุณต่อไปนี่นะไม่แน่นอนนี่เลยฉลาดเลยนะฉลาดเลยเห็นหท่านทายไม่ผิดท่านบอกท่านไม่มีวันทายผิดเลย ใครมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าชีวิตไม่แน่นอนเอาอย่างขั้นน่ะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเพราะงั้นต้องเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมที่สร้างต้นทุนของเราขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นในใจเรานะเราต้องมีต้นทุนของเราไว้นมีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในของเรานี่มีศรัทธามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมีจาระมีสุตตะ สุตาคือรู้จักฟังได้ยินได้ฟังธรรมะนี่เป็นต้นทุนอันหนึ่งนะเพราะงั้นที่อุตสาห์นั่งรถมาฟังธรรมะนี่ก็คือมาสร้างต้นทุนอันหนึ่งนะซึมละใจหนีไปทราบไหมอย่าบังคับนะอยู่บ้านเป็นอย่างนี้ไห ม, เ, ไหมเอ อ, อยังดียังเป็นไตรลักษนะ์ตอบอย่างนี้ใช้ได้ <c oughs> เบอร์ห้าดีแล้วภนะาวนาตื่นขึ้นมาได้เต็มที่ล้ดีแล้ว เรียนจากหลวงพ่อนานเท่าไหร่เนี่ยกี่ปีปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งทําได้อย่างนี้เก่งแล้วเ้าใครมีอะไรเชิญพี่วัยมีอะไรไห ม, มส่งกันบ้านเลยเย็นๆไม่ได้มาเมื่อวานกไม่ได้มาตอนเย็นก็ฟุ้งค่ะฟุ้งแล้วก็ซึมสลับไปสลับมาอ่อย่าไปเกลียดมั น, ม น, น, นมแต่แตอย่าไปรักมัน อนี้ดูเฉยๆดูเฉยๆตรงเฉยๆก็ต้องอย่าให้ซึมด<ม>้วยถ้าเ<ม>ฉยแบบอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ทราบว่าถึงเออๆอย่างนี้ไม่ได้จิตถึงฐานหรือว่ายังไม่ถึงดีขาดอยู่นิดหนึ่งแต่อย่าดึงนะถ้าดึงแล้วจะตึงเกินไปละแค่รู้นี่ถ้ามาอยู่วัดนี่จะตึงนิดหน่อยอ่มันตึงนิดหน่อยเพราะจะขยันอะไรอนี้จะตึงอ่ะส่งต่อไปเลยใครไม่เอาก็ส่งต่อไป อันนี้ดิฉันเป็นผู้มาใหม่ค่ ะ, ะก็อ่านหนังสือของท่านแล้วก็ปฏิบัติมาหลายปีแต่ว่าไม่ทราบว่าคำถูกคาผิดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มาค้นพบว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา<ช>ค่ ะ, คะก็พยายามทำอยู่แต่ไม่ทราบว่าทำถูกต้องไหมถ้าสงสัยนะก็รู้ว่าสงสัยไปถ้ามันพอดีเลย ค่ะทีนี้ดิฉันมีข้อสงสัยค่ะคือรู้กับกําหนดรู้คืออย่างที่เวลาที่เราเรารู้สึกโมโหท่านบอกว่าไม่ให้กําหนดแต่ว่าในใจเนี่ยโมโหนะอันนั้นคือกําหนดไหมคะอ๋อไม่ใช่ใ จ, ใจมันจะพูดขึ้นเองนะห้ามมันไม่ได้หรอกค่ะใจจะพูดขึ้นเองถ้ามันพูดเองไม่เป็นไรแต่อันนั้นไม่ใช่กําหนดอถ้าจงใจไปพูดขึ้นมาอ๋อแต่ถ้าเราพูดเอ่ยวาจามานั่นคือกําหนด เช่นพอโกรธขึ้นมานะใจรู้ว่าโกรธแล้วมันก็บ่นลําพึงลําพันธ์ทั้งมันโว้ยโกรธอีกแล้วหรือว่านี่โกรธอีกแล้วอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโกรธหนอโกรธนอ้อย น, นี่แกล้งทําล้อ๋อค่ะไอ้เรื่อเกินละเดิมทีเมื่อก่อนนี้ที่ฉันจะกําหนดโกรธหนอโกรธหน อ, หนอแต่เมื่อมาอ่านหนังสือของของท่านเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องโกรธหนอเท่ากับเรายา้ําพอเรารู้ว่ากําหนดก็ให้รู้ว่ากําหนดใช่ใช่ S <S เราไปกําหนดรู้ก็กำหนดค่ะก็ขณะนี้ก็พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ก็ทํามาได้สักระยะหนึ่งถ้าถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะค่ะอย่างถ้าเราจงใจกําหนดหนะ้าใจจะเครียดเครียดแข็งแข็งค่ะจะถ้าเราตามรู้ตามดูไปนะใจจะโปร่งโล่งเบาขึา้นมาจะอ่อนนุ่มนวลค่ะจิตที่เบาจิตที่ทุ่มนวลจิตที่คล่องแคล่วว่องไว จิตที่รู้สิ่งทั้งหลายอย่างซื่อๆตรงๆเนี่ยเป็นลักษณะของมหากุศลจิตจิต ท, ที่หนักจิต ท, ที่แน่นจิต ท, ที่แข็งจิต ท, ที่ซึมจิต ท, ที่ทื่อเป็นลักษณะของอากุศลจิตนี่นส่วนใหญ่ที่พวกเราทํากรรมฐานเนี่ยแทนที่จะเกิดจิต ท, ที่เป็นกุศลนะส่วนใหญ่จะเกิดอากุศลหรืเราจะเกิดจากโลภะก่อนเราอยากปฏิบัติเราอยากปฏิบัติก็ลงมือไปเพ่งจ้องบังคับกายบังคับใจ กายแข็งแข็งก็ใจก็แข็งแข็งเครียดเครียดตอนนี้มีจิต ท, ที่ตื่นเต้นตื่นเต้นหรือว่าตื่นเ <c oughs> ต้นค่ะ <c oughs> แต่สังเกตไหมใจเราจ้ากระจายออกไปข้างนอกค่ <c oughs> ะสว่างเจ้าออไปข้างนอกแล้วก็ดฉันมีอีกเรื่องที่ถามต้องขอโทษผูดปฏิบัติผู้ปฏิปฏปบัติคนอื่นถ้ามีคําถามแต่มีอีก แ, แ, แค่สองคำถามนะคะคือคําถามต่อไปนี้คือว่าการสวดมนต์กับการปฏิบัติธรรมการภาวนาเนี่ยนะคะคือดิฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบสวดมนต์ ชอบภาวนาคือจะสวดอิติปิโสเสร็จแล้วก็จะนั่งภาวนาประมาณยี่สิถึงสาสิบนาทีภาวนาอะไรละ่ะปฏิบัติอย่างที่ท่านสอนคือให้ตามรู้แต่ไม่เพ่ง อ, อย่างเมื่อวานนี้ก็ปวดคอปวดหลังก็ตามรู้พอเริ่มจะเพ่งแล้วเริ่มยิ่งปวดใหญ่เลยใช่ๆชค่ะ<า>ก็เมื่อวานนี้ก็ปฏิบัติ ต, ตามท่านก็รู้สึกว่าดีขึ้นปวดคอพอพ อ, พอเริ่มมาปวดหลังอีกก็ตามรู้ แต่ไม่เพง่งเพราเพ่งเมื่อไหร่ก็ปวดหนักขึ้นใช่ค่ะก็ทําอย่างนั้น<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเราถนัดที่จะภาวนาเราสวดมนต์นิดหนึ่งแล้วเราภาวนาก็ได้อย่างที่ฉันทําไ ด, ได้ใช่ไหมคะคือจริงๆนะที่หลวงพ่อบอกให้ทําตามรูปแบบหมายถึงให้เรามีข้อวัดปฏิบัติของตัวเองที่แน่นอนสักอันหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวย่อหย่อนไปค่ะเช่นเราสวดมนต์สักนิดหน่อยก็ได้ไม่สวดเยอะก็ได้นะค่ะแล้วก็เราก็หัดดูของเราไปเลยเช่นเราดูใจของเรา ใจเราแข็งแข็งขึ้นมาเราก็รู้ใจเราสบายก็รู้นะหรือเราถนัดดูท้องพองยุบเราก็ดูไปแต่ไม่ได้ไปดูเพื่อให้นิ่งหรือเพื่อกาหนดอะไระดูท้องพองยุบไปแล้วใจแอบไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งใส่ท้องก็รู้น ะ, ะหรือมันแข็งแข็งขึ้นมาเกร็งขึ้นมาเราก็รู้เอาค่ะคำถามสุดท้ายนี่คืออันนี้ลูกชายมาด้วย ลูกชายเนี่ยคือบ้านดิฉันจะมีโรคกรรมทางกรรมพันธุ์คือเราจะคันๆเราจะเป็นคนที่ผิวแพ้ผิวแพ้ง่ายและโรคเนี้ยเกิดจากความเครียดตัวดิฉันเองก็เป็นคนเครียดคุณพ่อเครียดคุณพ่อนี่เป็นมาก่อนทีนี้พอมาถึงลูกเนี่ยลูกก็เป็นตอนนี้ลูกค่อนข้างเป็นเยอพราะว่าคนเนี้ยพอดีก็มาเป็นกำลังเป็นวัยรุ่นน่ยนะคะก็จะมักโกรธจะเป็นคนขี้โกรธแต่ว่าธรรมดานะหลวงพ่อพตอนเป็นวัยรุ่นก็ขี้โมโห อยากให้หลวงพ่อสอนเขาง่ายๆว่าจะกําหนดยังไงหรือจะรู้ยังไงถึงจะเป็นคนที่ไม่ต้องให้เขาอยากเรียนด้วยนะเขาเเาาอยากเรียนนนกัะวันนี้ก็ถึงมาค่ะเพราะว่าคือจริงๆนะไม่ได้ยากอะไรหรอกอย่างตอนเนี้ยเรารู้สึกเขินๆรู้สึกตื่นเต้นเราก็รู้นะอย่าไปบังคับเด็กค่ะเขารู้สึกยังไงเราก็คอยรู้สึกรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวความเครียดมันจะลดลงเอง เรื่องเราคอยรู้ทันเนี่ยใจเราแอบไปคิดแล้วทราบไม้มใจเราหนีไปคิดแวบนะเราก็ค่อยรู้ทั น, นใจเราจะเป็นสุขใจเราจะเป็นทุกข์ใจเราเป็นไงเราค่อยรู้บ่อยๆเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังบ่อยๆนะอดทนนิดนึงเชื่อหลวงพ่อสิถ้ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยทุกวันนี้เราลงทุนให้กับชีวิตตั้งเยอะแยะนะไปเรียนหนังสือนี่ลงทุนตั้งนานนะใช้เงินตั้งเยอะนะใช้เวลามหาศาลเลย เราก็ไปทำงานเพื่อจะได้เงินมาใช้ลงทุนไปจีบสาวเพื่อจะหาเมียมาสักคนหนึ่งลงทุนไปมีลูกเราก็เลี้ยงลูกตั้งหลายสิบปียี่สิปีอะไรเงี้ยนี่เราลงทุนกับชีวิตตั้งเยอะเลยแต่เราไม่ได้ลงทุนที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองนั้นการลงทุนของเรานะั้นเราก็ได้ความสุขมาแวบหนึ่งก็หลุดมือไปแวบหนึ่งล้วก็หลุดมือไปแต่ถ้าเราลงทุนเรียนรู้เข้ามาให้ถึงใจตัวเองนะโอ้มี กำไรเยอะนะเป็นงานที่ส้นสุดแต่อย่าไปเขี้ยวเข็นเด็กนะเด็กเป็นวัยรุ่นหรือต้องร้อนธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นวัยรุ่นเราก็ใจเย็นเป็นน้ําแข็งน้ําก็ผิดปกตินะค่ะวันนี้เขาเต็มใจมาเองค่ะเขาก็ถามเขาว่าจะมาไหมเขาบอกเขามาด้วยเพราะว่าพอบอกว่าเขามีผื่นขึ้นอีกนิดนึงเขาก็เรื่องไม่ค่อยสบายใจค่ะสเวลาถ้าเรากังวลใจนะรู้ว่ากังวลดูไปที่ความรู้สึกกังวล อย่าไปดูที่ผืนนะดูที่ผื่นยิ่งกังวลใหญ่ค่ะเขาเขาจะชอบไปดูที่ผืนแบบว่าไม่ต้องไปส่องกระจกแล้วโลกค่ะตัวดิฉันวาระจิตนี่ท่านเห็นยังไงคะอะไรนะตัวตัวดิฉันเองนี่วาระจิตเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ทราบว่ามาทุกทางไหมใจมันฟุ้งสั้นไปนิดนึงฟุ้งสั้นนะคะค่ะก็ให้รู้ก็รู้ไปะแต่มันฟุ้งดูออกไหมก็ทราบส่วนหนึ่งก็คือห่วงลูกไง ใจใจมันจะวับแวบวับแวบฮะเพราะว่ามีลูกสองคนก็อยู่ในระหว่างห่วงทั้งสองคนค่ะก็มีลูกก็ต้องมีห่วงนะเพราะลูกคือราหุ่นอะแปลว่าห่วงค่ะค่ะงั้นน้ำสการ์ค่ะขออะไรคุณวิชาคุณปิยรนาฏก็ได้มีอะไรพูดเลยเดี๋ยวหลวงพ่อต้องคุยกับพระก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าสมองทํางานเนี่ย แต่เดิมเนี่ยเวลาเราเราเห็นสภาวะตั้งแต่เริ่มแรกที่ฝึกหลวงพ่อเนี่ยเห็นอารมณ์ที่เข้ากระทบพอต่อไปก็เป็นเป็นความอยากแล้วก็เกาะเป็นช่วงๆ่ะคะแต่แต่ระหว่างก็จะจ ะ, จะเห็นสลับสลับกันไปแต่ว่าจะมีเป็นช่วงๆที่เห็นความอยากแล้วก็เห็นเห็นมานะตัวเองหลังสุดก็เห็นความปรุงแต่งจนสุดท้ายนี้ เห็นสมองมันทํางานก็ยังงงงคือทุกตัวที่ที่เคยเห็นมาเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้แต่พอเวลาสมองทํางานเนี่ยคือคือคือจิตเนี่ยตื่นตื่นมากสมองก็ทํางานแบบทําไม่หยุดเลยกลางกลางคืนนะคะต้องไปหาหมอนะมันมันมันคือมีปัญหาเรื่องงานแล้วมันก็นำนำเสนอเรื่องว่าจะแก้ยังไงแก้ยังไง มองภาพรวมก็ชัดลงรายละเอียดก็ชัดในขณะที่เราก็ดูอยู่เห็นมันเห็นมันคิดได้ลึกซึ้งมากได้ละเอียดมากแต่มันไม่ยอมหยุดทำงานคือมันมันคิดได้ทั้งได้ตลอดเลยแต่ตั ว, ต, วตัวรู้เนี่ยก็ตื่นตื่นอยู่ตลอด alert ม, มากเลย<ม>ทีนี้พอดีอก็รู้ว่าเช้าเนี่ยจำเป็นจะต้องตื่นแต่เช้ามืดเพราะต้องมีงานรอทำก็อยากจะอยากจะให้มันหยุด ยังไงมันก็ไม่ยอมหยุดคิดมันคิดได้ต่อเนื่องมากๆเลยอะค่ะแล้วก็วิธีการอะไรอย่างที่บอกว่าเครื่องหยุดก็เคยเรียนมาแล้วลืมไปทําสมาธสิค่ะ <c oughs> พอดึง <c oughs> พอพอก็คือบอกเองว่าทํำยังไงถึงจะให้มันมันหยุดทํางาน <c oughs> ก็เอาเอากลับเข้ามา <c oughs> ด้วยวิธีสมถะพอเอากลับมาสมถะมันก็จะปวดหัวเริ่มเริ่มมีมีมีปวดหัวก็รู้ว่าใช้ไม่ได้ไม่ไม่สมถะต้องทําให้สบา ย, ยาเคล็ดลับของการทําสมถะต้องสบายนะ เมื่อไรสบายแล้วใจจะสงบอย่างรวดเร็วในอย่างถ้าคุณปีนาเริ่มด้วยอยากสงบแล้วก็จงใจดึงใจิตใจไม่สบายก็ก็เลยก็เลยเอาปล่อยทิง้งปล่อยทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ว่ามาอยู่กับปัจจุบันพออยู่ปัจจุบันก็ว่างก็ว่างแล้วเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็กลับไปก็ทำงานต่อตัวนี้ก็ทำงานต่อก็ก็ก็กลับ ใช้ใช้วิธีอย่างเงี้ยมาอยู่ปัจจุบันมันก็จะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็จะค่อยๆค่อยๆช้าลงตัวตัวคิดก็จะค่อยๆช้าลงแล้วสุดท้ายก็ก็พลอยหลับไปเมื่อไหรไม่ทราบทีนี้อีกวันหนึ่งถึงถึงกว่าจะรู้ได้ว่าอ๋อที่แท้เนี่ยคือคือมามาเข้าใจตอนที่ตัวเองขยี้ผ้าว่าไอ้ตัวนี้มันก็คือที่หลวงพ่อบอกว่ามันบังคับไม่ได้ แม้แต่ตัวตัวสมองที่มันทํางานคือถ้ามันอยากจะทํางานก็คือต้องทํางานจะวิธีไหนเอาสมรถะก็ไม่ได้เพ่งมากเกินไปก็ไม่ได้<ม>อะไรก็มันไม่ได้อยู่ในบังคับของเราอะไรเรานั้นนะคะก็ก็แต่กว่าจะกว่าจะมามาเข้าใจตรงนี้คืออีกอีกวันหนึ่งแล้วข้ามอีกวันหนึ่งแล้วก็ก็ยังยังสงสัยว่าว่าจากตรงนี้กับตรงนี้นี่คือบางทีสมองนะบางคนนะมันเป็นโรคก็มีนะสมองทํางานทั้งวันทั้งคืน เหมือนไฟฟ้าสปาร์คตลอดเวลาพวกนี้ก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเราจิตใจเป็นกังวลมีงานจะต้องคิดต้องทํามันก็ทําของมันชั่ชวครั้งชั่ชวคราวยิ่ไม่เป็นไรเขาไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นมันแต่ว่าวันนั้นมันเหมือนคลื่นไฟฟ้าทํางานยียักยี่ยั ก, ยยกอยูย่แต่แต่สิ่งที่มันมันออกมาดีมากเลยนะคะ<ม>ที่มันนําเสนอออกมามดีมากๆเลยะคะ่ะ<ม>ไม่ทราบว่าเวลาเวลามัน คำตอบหรือวิธีการที่มัน น, นําเสนอมาตอนนั้นทั้นใช้ได้หรือเปล่าคะหรือว่าเอา้าวต้องไปใช้เหตุใช้ผลพิจารณาเอาสิมีเชื่ออะไรกัน <c oughs> อะโซตาไปกราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าได้ได้รู้ทุกเยอะเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าเนี่ยยังยังรู้สึกว่ามันทุกเพราะว่าเราไม่ยอมวางแล้วก็มันไม่ยอมวางหรอก สั่งให้วางไม่เชื่อนะไม่เชื่อไม่ยอมวางเหมือนบางครั้งก็เหมือนกับว่เอ๊ะวางแล้วแต่ก็ไปหยิบมันขึ้นมาอีกออไปจงใจหยิบมันขึ้นมาอีกอดี<ะ>ที่ภาวนาอยู่ดีละแล้วลจนแบบเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานนะ่ะก็รู้สึกว่าเออมันมันมันก็มันยอมวางหน่อยหนึ่งนานหน่อ ย, นนอยก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเบากายเบาใจขึ้นไอเนี้ยมันเป็นการให้เราพักชั่วครั้งชั่วคราว <laughs> เวลาเราภาวนาบางช่วงก็ได้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆ น, น ะ, ะมีความสุขมีความสงบแล้วก็ถ้าเป็นพวกปัญญากล้าเนี่ยไม่ไม่พักนานเดี๋ยวก็หาเรื่องอีกนะต้องวนกวาดอีกธรรมดาดีละค่ะที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วก็ดีใจว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกอะลงทุนนี่คุ้มค่าจริงๆลงทุนเราคุ้มค่าน ะ, ะเราได้ได้ใช้ประโยชน์มีอาวุธเอาไว้ต่อสู้ เพื่ี่บเจ็ดนี่ข้างหน้าข้างหน้าก็ระหว่างมรดการหลวงพ่อจะ้ะค่ะระหว่างที่นั่งก็ช่วง แ, วแรกแรก็จะเพ่งมากเลยค่ะหลวงพ่อก็เหมือนเกร็งแต่ก็จะเห็นว่ามันค่อย ค, อยคอยบางทีมันก็คลายแต่มันไม่ได้คลายแบบดับไปเลยอะค่ะ ม, มันก็เห็นมันคลายตัวแล้วบางทีมันก็เข้ามาอีกมันเหมือนไปจงใจตอนไหนก็ไม่ทราบโดะเฉพาะหลวงพ่อแล้วก็เห็นมันเริ่มจงใจอีกแล้วก็สังเกตไปเรื่อยเรื่อยจ้ะค่ะหลวงพ่อ ดีแล้วตอนนี้ภาวนาใช้ได้แล้วเบอร์แปดเบอร์แปดครับที่ก่อนก็คือจะคอยจะไปดูกิเลสคนอื่นนะครับผมเวลาเขาทําอะไรไม่ดีหรือว่ายัางไงเนี่ยเราก็เราก็จะไปมองว่าเขามีกิเลสตัวไหนตัวไหนแต่สักพักหนึ่งปุ๊บมาม า, มาสังเกตนะฮะมาสังเกตตัวเราเองปรากฏว่าจริงๆเราก็มีเขาก็มีกิเลส ข, ของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีกิเลส ข, ของเราค ร, ครที่เขาไม่พอใจเพราะว่าเราก็ไม่สนองกิเลส ข, ของเขาเรา ตัวเราเองก็ไม่สบายใจเพราะว่าเขาก็ไม่สนองกิเลสของเราครับุณใช่ดีเรียนเรื่องกิเลสน่นดีนะ <c oughs> อย่างเมื่อวานได้ได้ไดทำอย่างที่ท่านสอนว่าให้รู้ในปัจจุบันก็เดินเดินก็บางครั้งตอนแรกๆรู้สึกเกร็งรู้สึกแคล้งอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ พอไปเรื่อยๆพอดีคุยกับปอเขาบอกเ อ, อถ้าเรารู้ว่าเราวอกแวกเราก็รู้ตัวซะออก็ดีขึ้นเมื่อวานรู้สึกดีขึ้นว่าทําได้ค่ะดีแล้วจิตใช้ได้แลนะช่วยส่งไปข้างหลังเนละคือเวลาตามรู้เนี่ยฮะมันจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างอารมณ์ที่ย้อนข้างแรงกับอารมณ์ทั่วๆไปครับถ้าเป็นอารมณ์ที่ย้อนข้างแรงเนี่ยพอเกิดรู้สึกตัวขึ้นมามันจะมีความสงบความสุขเวทนาชัดครับ แต้าเกิดเป็นอารมณ์ทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนเร็วมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีการรู้ขั้นอยู่ระหว่างการรู้2เรื่องหรือเปล่า yes. บางท่านมันเหมือนกับว่าพอพอคิดไปปุ๊บเนี่ยจังหวะอีกทีนึ่งที่รู้ตัวก็คือเอมื่อกี้หลงคิดไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่ควรหลงคิดนะแล้วจังหวะต่อมาคือเอองั้นก็มารู้กายรู้ใจดีกว่ารู้เดินดีกว่าอย่างเงี้ยครับดูงี้สิตรงที่มันลงไปคิดนะแล้วก็เอ้เมื่อกี้หลงคิดหรือเปล่ารู้ว่ากําลังสงสัยเรือ่องนี้ กำลังสงสัยอยู่ในปัจจุบันแล้รดูดีแล้วที่ภาวนาคุณวิชาหน่อยคนสุดท้ายก็สองสามวันนี้จะมีทุกจอนเข้ามาเยอะทำให้กังวลเสร็จแล้วเมื่อสักครู่ก็ได้คำตอบคือเข้าใจแล้วทุกอย่างมันพอดีกับเหตุของขาแล้วมันยุติธรรมแล้วล่ะครับมันยุติธรรมสำหรับกเหตุของขา